หัวข้อทุกขะสมุทัยอริยสัจความจริงเกี่ยวกับต้นเหตุทุกดูกอนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขะสมุทัยอริยสัจเป็นชไหนตัณหาี้อันใดมีความเกิดอีกประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินเพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณ์นั้นๆคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาดูกอนภิกษุทั้งหลายก็ตัณหาี้นั้น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 เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ณที่นี้รูปเสียงกลิ่นรสโภพภะธรรมารมณ์เป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตั้นหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้จักขูวิญญาณโสตวิญญาณขานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายยะวิญญาณมโนวิญญาณ เป็นที่รักที่จเจริญในโลกตันหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้วิญญาณคือความรู้ที่เกิดขึ้นเมื่ออายตนะคู่นั้นๆประจวบกระทบกันจักคุสัมผสัสโสตสัมผสัสคานะสัมผสัสชิวหาสัมผสัสกายสัมผัส rett, มโนสัมผสัสเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตันหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้